ภาวะเหนือโลกคือจิตว่างจากความเห็นแก่ตัวจิตตำซามตกต่ำนั้นเป็นจิตวุ่นอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของโลกแล้วจึงเป็นจิตวุ่นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจิตว่างนั้นคือว่างจากกิเลสตัณหาแต่มีสติปัญญาอยู่แทนขอให้ถือว่า สติปัญญากับความว่างนั้นมันเป็นอันเดียวกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าความว่างนั้นมันว่างจากตัวว่างจากความเห็นแก่ตัวมันไม่มีตัวแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวธรรมะหรือสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เรื่องอนัตตาขึ้นมานั้นท่านสอนให้รู้จักทาลายความเห็นแก่ตัว หรือความรู้สึกว่าตัวให้หมดไปข้อนี้ได้แก่คาสอนเรื่องอนัตตามันว่างจากตัวจึงเรียกว่าว่างว่างจากตัวและมีอะไรอยู่ก็มีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นตัวสติปัญญาเพราะฉะนั้นความว่างจากตัวจึงเป็นตัวเดียวกันแท้กับสติปัญญา ไม่ใช่มีของสองสิ่งอยู่พร้อมกันไม่ใช่มีของสิ่งเดียวเท่านั้นเราจะเรียกว่าความว่างก็ได้สติปัญญาอย่างยิ่งก็ได้เรื่องนี้มีคนพูดผิ ด, ผดเรื่องสุญญาตาเรื่องความว่างนี้ ว, ว่างไม่มีอะไรเลยว่างอย่างมือเปล่าจนคนพากันเกลียดความว่างเกลียดจิตที่ว่างกลับไปชอบจิตที่วุ่น อย่างนี้เรียกว่าจมอยู่ในโลกภายใต้โลกไม่สมแกเกียรติของคำว่านักศึกษาไม่มีใจที่สะอาดสว่างสงบไม่มีความรู้ความตื่นหรือความเบิกบานเสียเลยเราควรจะเข้าใจคำว่าพุทธพุทธะนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่นับถือสูงสุดของเรานั้นคำว่าพุทธนี้ แล้วว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานรู้คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงตื่นก็คือตื่นจากหลับตื่นนอนหลับนั้นคือกิเลสตื่นจากหลับก็คือตื่นจากกิเลสหลับด้วยกิเลสนี่มันยิ่งกว่าหลับตามธรรมดาเหมือนที่เรานอนหลับคนสลาดกล่าวว่าความที่หลับอยู่ด้วยกิเลสนั้น เป็นความหลับอย่างยิ่งเมื่อรู้และตื่นแล้วจึงเบิกบานเหมือนดอกไม้บานถ้าเรายังไม่มีปัญญายังไม่ตื่นขึ้นมาจากหลับหรือกิเลสแล้วอย่าได้อวดดีว่าเป็นความเบิกบานสะสวยสดชื่นงดงามไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มีแต่ความเร่าร้อนชนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องเป็นสองเรื่องขึ้นทั้เรื่องในโลกหรือใต้โลก ใต้วิสัยโลกนี้อย่างหนึ่งเรียกว่าโลกิยาเรายังมีเรื่องเหนือโลกพ้นโลกอย่างหนึ่งเรียกว่าโล ก, กุตระร่างกายเท่านั้นมันอยู่ใต้โลกหรือเกี่ยวกับโลกส่วนจิตใจนั้นจะต้องศึกษาปฏิบัติอบรมให้มีความรู้สึกเหนือโลก